จเจริญพรท่านผู้มีเจ็ดศรัทธามีความเลือ่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย7สิบเจดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพ้าห้าเจเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะมา บำเพ็ญมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาททรงสอนว่าให้เราระึกถึงความแก่ถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ให้เราประมาทในวัย อย่าไปคิดว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่เป็นคนแก่ไปเวลาเราเห็นคนแก่ขอให้เราน้อมภาคของคนแก่คนนั้นเข้ามาหาที่ร่างกายของเรามาหาที่ตัวเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้น ทรงสอนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในสุขภาพอย่าไปคิดว่าเราจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปได้เรื่อยเวลาเราไปเยี่ยมไครที่โรงพยาบาลเวลาเห็นไครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้เราน้องเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่เราเห็นนั้น เข้ามาที่ร่างกายของเราสอนใจเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสอนให้พวกเราอย่าประมาทในชีวิตอย่าไปคิดว่าชีวิตนี้เป็นของถาวร อ, อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันตาย เวลาเราไปงานศพเวลาเราเห็นคนตายขอให้น้อมเอาศกนั้นมาที่ร่างกายของเราให้คิดให้เตือนใจว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นซากศพไปเวลาเราไปเก็บกระดูเก็บขี้เถ้าหลังจากที่ได้ทำชาปนกิจแล้วก็ขอให้เราพิจารณา น้อมเข้ามาที่ร่างกายของเราว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราที่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราเราเพียงแต่เป็นผู้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวตามอำนาจของโมหะความหลงตามอำนาจของอวิชชา ความไม่รู้ตามอํานาจของตัณหาความอยากเพราะใจของเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดึ่มยังอยากรับประทานอยู่เราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายของอันเก่าตายไปเราก็ออกจากร่างกายอันเก่าแล้วเราก็ ไปหาร่างกายอันใหม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องเราก็ไปขออาศัยอยู่ทันทีพอคลอดออกมาเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายไปเพราะตัวเราที่แท้จริงนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าไม่มีตานั่นเองใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนกับความว่าไม่สามารถที่จะ เห็นภาพของร่างกายไม่สามารถเห็นภาพของใจของเราได้พอเราเกิดมาเราได้ร่างกายนี้เราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไปแล้วเราก็เกิดความรักเกิดความหวงเกิดความหลงกับร่างกายอันนี้หลงคิดว่าร่างกายอันนี้จะ เป็นหนุนเป็นสาวไปเรื่อยๆหลงคิดว่าร่างกายอันนี้จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหลงคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถ้ามีความหลงอย่างนี้อยู่ภายในใจก็จะเกิดตัณหาความอยากอยากไม่ให้ร่างกายแก่ อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายพอเรามีความอยากก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะเรารู้อยู่ว่าอยากอย่างไรก็ห้ามความแก่ไม่ได้อยากอย่างไรก็ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ อยากอย่างไรก็ห้ามความตายไม่ได้แต่ถ้าเราคอยสอนใจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32เป็นเพียงบ้านอยู่อาศัยชั่วคราวที่เหมือนกับบ้านอื่นบ้านอื่นเราสร้างเราอยู่ไปสักระยะหนึ่ง สาสปีสีป่ปีมันก็จะเริ่มชำรุดทรุดโทรแล้วต่อไปมันก็ต้องพังไปก็ต้องไปซื้อบ้านใหม่ไปสร้างบ้านใหม่กันร่างกายของเรานี่ก็เป็นบ้านของใจบ้านของพวกเราส่วนบ้านที่เราอยู่กันนี้เป็นบ้านของร่างกายอีกทีหนึ่งบ้านของเราคือใจนี้ มีร่างกายเป็นบ้านส่วนร่างกายนี้มีบ้านที่เราซื้อที่เราเช่าอยู่กันทั้งหมดนี้ก็เป็นของชั่วคราวบ้านที่ร่างกายอาศัยอยู่ก็เป็นของชั่วคราวบ้านที่ใจอาศัยอยู่ก็เป็นของชั่วคราวไ ม, ไม่ไม่เชื่อก็ไปที่วัดไปดูที่วัดที่เขามีเมนภาลสุ์ ตอนเช้าเวลาเขาเก็บศพไปดูตอนนั้นไปดูเก็บเวลาเขาเก็บขี้เถ้าเก็บอัฐิกระดูนั่นแหละคืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนถ้าเราคิดอย่างนี้สอนใจไปเรื่อยๆใจจะไม่หลงแล้วจะคลายความผูกพันใจจะยอมรับความจริงได้ พอยอมรับความจริงได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจเพราะจะไม่เพราะรู้ว่าอย่างไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าๆทุกไปเปล่าๆเหมือนกับเรารู้ว่าเราไปขอเงินคนอื่นข อ, อยังไงเขาก็ไม่ให้เราเราก็อย่าไปเสียเวลาขอให้มันทุกไปเปล่าๆเลย สู้เราไปหาเงินหาทองของเราเองดีกว่าแน่นอนกว่าได้เงินทองแน่นอนไปขอเงินคนอื่นบางทีเขาก็ให้บางทีเขาก็ไม่ให้ขอบ่อยๆเขาก็จะไม่ให้นี่แหละคือความจริงเราอย่าไปขอให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเป็นไปไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงเราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงที่อยู่อาศัยหรือเป็นเครื่องมือชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายก็อย่าไปหาร่างกายอันใหม่พอร่างกายอันนี้หมดสภาพไปแล้ว ก็หยุดวิธีที่จะหยุดการหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องหยุดที่ต้นเหตุก็คือความอยากถ้าเรายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากรับประทานยังอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากมีนั่นมีนี่อยากมีสามีอยากมีภรรยาเราก็ยังต้องมีร่างกายนี้อยู่เหมือนกับเราอยากมีลูก เราก็เลยผลิตลูกออกมาพอเราได้ลูกแล้วเราก็ได้ลูกที่จะต้องแก่ลูกที่จะต้องเจ็บไข้หน่ายป่วยลูกที่จะต้องตายจากเราไปหรือเราต้องตายจากเขาไปนี่ถ้าเราเห็นโทษของความอยากแล้วเราก็จะได้มาพยายามต่อสู้กับความอยากตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ต่อสู้ ให้ต่อสู้ด้วยการทำทานเวลาเราจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากไปดูไปฟันไปดื่มรับประทานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดื่มไม่ต้องรับประทานเช่นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่รับพัดเราไม่ดื่มเราก็ไม่ตายถ้าเรามีน้ำเปล่าไว้ดื่มร่างกายต้องการน้ำ น้ำเปล่านี้ก็พอแล้วสำหรับความต้องการของร่างกายแต่น้ำดื่มที่มีกลิ่นมีสีมีรสมีชานี้เป็นความต้องการของตัณหาของความอยากเรียกว่ากามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะของเครื่องดื่มพอดื่มแล้วก็ติดอกติดใจแล้วก็กลายเป็น ผูกพันอดไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาไม่เชื่อลองไปถามคนที่ติดสุราดูคนที่ติดบุหรีดูคนที่ติดกาแฟดูคนที่ติดเครื่องดื่มชูกำลังดูดูว่า เวลาเขาไม่มีดื่มเขาจะรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเพราะความอยากเป็นเพราะความหลงที่ไปคิดว่าดื่มแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไมมว่าเป็นความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์เป็นความสุขเหมือนกับน้ําตาลที่เคลือบยาขงความสุขที่เราได้รับจากการ เสพตามความต้องการตามความอยากของกามะตัญหานี้เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้อยู่พอเราได้เสพปั๊ความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะเสพอีกอยากจะดื่มอีกพอไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาบางทีมีให้ดื่ม แต่ไม่ร่างกายดื่มไม่ได้หมอห้ามเช่นคนที่ติดสุราจนเป็นโรคพิษสุราเรื้ อ, อรังหมอก็ต้องห้าว่าถ้าดื่มไปต้องตายแน่ๆพอต้องพอรู้ว่าต้องตายก็ต้องหยุดเวลาหยุดก็ต้องเครียดต้องหมุดหยิดต้องํำคานใจแต่คนที่ไม่ติดสุรานี้ก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ ไม่มีสุราเนึ่งก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปหาหมอให้รักษาโรคพิษสุราเรือ้อรอไม่ต้องตายไปตามฤทธิ์ของสุรานี่แหละคือความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราทำตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพที่มีอยู่หลากหลายด้วยกันหลายแบบหลายวิธีด้วยกัน เช่นการอยากจะมีคู่ครองอันนี้ก็เป็นการมาตัณหาเหมือนกันอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาแต่ไม่รู้ว่าการมีสามีภรรยานี้มันทุกข์ขนาดไหนจนบางครั้งพอมีแล้วก็ต้องเลิกรากันไปตัวอย่างมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้ คือถ้าไม่สัมผัสได้ด้วยตัวเองนี้จะไม่เชื่อเหมือนกับที่เขาพูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นหนึ่งตาเห็นไม่เท่ากับเจอของจริงพอเจอของจริงแล้วก็เข็ดแต่เข็ดไม่นานเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาอีกพอโผล่ขึ้นมาก็ลืมไปหมดเลยถึงความทุกข์ที่เคยได้รับ จากการมีคู่ครองก็จะคิดไปว่าคนต่อไปคงจะเป็นคนดีคนจะเอาใจเราให้ความสุขกับเราต่อให้เปลี่ยนไปกี่ร้อยคนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นไม่มีใครเท่าที่จะมาเอาใจเราได้ตลอดเวลาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพราะต่างคนต่างหาความสุขด้วยกันนี่นี่คือความจริง ที่เราไม่คิดกันเราจึงต้องเดินเข้าหากองทุกข์อยู่เรื่อยๆแทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์เราก็เดินเข้าหากองทุกข์กันเพราะเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้นี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นความทุกข์เพราะอะไร ไม่ถาวรไม่แน่นอนมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสืออ่อมลงไปและมีการดับไปหมดไปเป็นของที่เราไปสั่งไม่ได้ไปสั่งว่าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเวลาสั่งแล้วไม่ได้ดังใจสั่งเป็นอย่างไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลง แต่เขาเปลี่ยนแปลงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลารักกันใหม่ๆก็อะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ทำให้เราได้หมดพอรักกันไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปเคยทำอะไรให้ก็ไม่ทำเสียแล้วปล่อยให้เราทำเองอันนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพรยายาม พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันไม่แน่นอนทุกเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวทุกเพราะว่าเราไปกำหนดไปบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เวลาเขาจากเราไปนี่เราเราห้ามเขาได้ไหม เวลาเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นอย่างนี้เราห้ามเขาได้หรือเปล่าหรือเวลาเขาตายไปเราห้ามเขาไม่ให้ตายได้หรือเปล่าเนี่ยขอให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่อยากได้อะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหมือนยาพิษถ้าเครื่องดื่มต่างๆนี่เขาติดป้ายกัลโ ไว้แล้วก็เขียนว่าเป็นยาพิษเราจะกล้าซื้อมาดื่มหรือไม่พวกเครื่องดื่มชูกำลังก็ดีพวกสุรายาเมาก็ดีพวกก า, กาแฟอะไรทั้งหลายก็ดีถ้าเขาติดกะโหลกศีสระวัยแล้วก็มีขีดสีแดงว่าอันตรายเป็นยาพิษดื่มไปแล้วจะต้องทุกข์ไม่สุขพอดื่มไปแล้วจะต้องติด แล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเดิน ม, มากเกินไปก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่ได้เดินก็หงดหงิดลาคาญใจเงินก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆอันนี้แหละคือโทษคือความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะ ต่อสู้กับความอยากได้เฝืนความอยากได้ถ้าเรายังฝืนไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกำลังพอเราก็ต้องมาออกกำลังเหมือนกับเราออกกำลังกายเวลาเราร่างกายเราอ่อนแอเราอยากจะให้มีกำลังวังชาเราก็ต้องมาออกกำลังกายมาวิ่งบ้างมายกน้าหนักบ้างมาเต้นมาทำอะไรบ้างเพื่อให้ร่างกายกระปีก้กระป๋า ใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายถ้ามีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะสู้กับตันหาความอยากได้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราก็ต้องมาออกกําลังใจกันวิธีออกกําลังใจก็คือให้มาถือศีลแปดกันถ้าเราถือศีลแปได้เราจะมีกําลังฝืนความอยากได้ เช่นศีลข้อสก็เป็นพรหมจรรย์เป็นศีลพรหมจรรย์คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครคนที่ถือศีลแปดได้นี่เขามีกําลังใจมีกําลังที่จะต้านตันหาความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ศีลข้อหกก็จะต้านไม่ให้รับประทานอาหารมากจนเกินไปได้ให้รับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอ คนที่ไม่ถือศีลแปดไม่ได้นี้แสดงว่าไม่มีกําลังสู้ตันหาความอยากไม่ได้ต้องร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ต้องกินอาหารแบบเต็มที่ตลอดเวลาอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ต้องกินให้ได้อย่างนี้ก็จะถือศีลแปดไม่ได้คนที่ยังชอบเที่ยวยังชอบดูมอรหรสพเครื่องบรรเทิงต่าง ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรท์ที่สวยงามมีสีสันวิจิตพิสดารมเาีเครื่องประดับตกแต่งแต่งผมแต่งอะไรพวกนี้ก็ไม่มีกำลังที่จะต้านตันหาความอยากที่จะหาความสุขจากการไปดูมหรสพ<ม>เครื่องบันเทิงต่างๆได้<ม>แต่ถ้าถือศีลแปดได้ก็จะต้านได้ นุ่งขาวห่มขาวหาวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอแล้วไม่ต้องปะแป้งไม่ต้องทาปะทาคิ้วไม่ต้องใส่น้ำหงน้ำหอมไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่วิจิตรพิสดารเสียเวลาเสียเงินทองไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรร่างกายนี้มันเป็นเหมือนศพเดินได้ ผมเสื้อผ้าเข้าไปแม่นานเดี๋ยวมันก็เปื้อนมันก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเอาไปซักใหม่แต่งหน้าทาปากให้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเหงื่อก็ออกเหงื่อก็ออกมันก็ล้างสีที่เราทาอยู่ที่หน้าของเราแต่พวกเราทํากันก็เพราะว่าหนึ่งไม่รู้โทษของมันสองรู้โทษแต่ไม่มีกําลังสู้กับมันได้ถ้าเราอยากจะสู้กับมัน เราต้องมาหัดรักษาสิ้นแปดกันเบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละวันก่อนคือวันพระถ้าวันพระไม่สะดวกก็เอาวันหยุดทำงาน mm hmm. เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์วันอย่างวันนี้ลองตั้งใจรักษาสิ้นแปดดู mm hmm. แล้วเราจะมีกำลังใจที่จะต่อต้านกับตันหาความอยากได้ mm hmm. แล้วขั้นต่อไปนอกจาก มีกำลังจากการรักษาศีลแล้วเรายัางต้องเพิ่มกำลังอีกระดับหนึ่งเพราะศีลแ8ดนี้ยังถ้าเป็นคู่ต่อสู้ก็ยังต่อยให้มันนับ8ดไม่ได้เราต้องเอาให้มันนับแดให้มันล้มลงไปให้มันนอนลงไปให้ได้วิธีที่จะทำให้ตันหาความอยากของเราสงบตัวลงไปก็คือต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันทาสมาธิ รักษาศีนแปดแล้วก็นั่งสมาธิเช่นวันพระวันหยุดของเราเรามารักษาสีนแปดอยู่กับบ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้แล้วแต่จะสะดวกแต่ขอให้อยู่คนเดียวอย่าไปเกี่ยวข้องกับใครปรีกวิเวกถ้าอยู่ที่บ้านก็ขังตัวเองไว้ในห้องก็ได้เดินยืนอยู่ในห้องจเจริญสติพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆ เวลาแล้วก็นั่งหลับตาทำใจให้สงบถ้าเรามีสติมากพอสติจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอจิตสงบแล้วตันหาความอยากต่างๆมันก็จะล้มลงไปหมดกำลังถูกนับแปดได้อันนี้แหละถ้าเรามีกำลังขนาดนี้ต่อยให้มันนับแปดได้พอมันลุกขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญา คือมีดมาฟันมันได้เลยปัญญาที่เมื่อกี้เราได้พูดถึงก็คือเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้พอมันเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ใช้ปัญญานี้ความรู้อันนี้ฟันมันได้เลยทีนี้เราฟันมันได้หยุดปันได้เพราะเรามีกำลังแล้วเรามีศีลแป เรามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเลาแล้ ว, ลวทีนี้ปัญญาคือความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ mm. ก็สามารถมาตัดหัวตันหาความอยากได้เลย mm. นี่แหละคือวิธีที่จะทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันที่จะทำให้พวกเรามีแต่ความสุขไปตลอดตลอด ที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเริ่มต้นด้วยการดำ ล, ลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทกับวัยอย่าประมาทกับสุขภาพอย่าประมาทกับชีวิตขอให้เราคิดเสมอเวลาเห็นคนแก่ก็ต้องคิดว่าเราต้องแก่ เวลาเห็นคนเจ็บก็ต้องคิดว่าเราต้องเจ็บเหมือนเขาเวลาเห็นคนตายก็ต้องคิดว่าเราต้องตายเหมือนเขาเวลาเห็นเขาเก็บขี้เถ้าเก็บกระดูกก็ให้คิดว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบมาทำภารกิจที่พระพุทธเจ้าท่งมอบให้กับพวกเรา คือการสร้างกำลังใจเพื่อจะได้ทำลายข้าศึกศัตรูคือตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราแล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกได้อย่างถาวรได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่คือสิ่งที่ พวกเราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเจริญความไม่ประมาณนี้ให้ท่านได้ไปพิจิพิจารณาและบำเท็ญเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา